แนะนำบทอัลกิยามะบทอัลกิยามะเป็นบทมักกยะมีสี่สิบองค์การบทนี้เริ่มโดยการสาบานต่อวันแห่งการฟื้นคืนชีพและกล่าวว่าวันฟื้นคืนชีพนั้นเป็นความจริงไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยบทนี้ได้กล่าวถึงส่วนหนึ่งจากบรรดาจากเครื่องหมายของวันอนันน่ากลัววันนั้นซึ่งดวงจันทร์จะถูกบทบังให้อยู่ในความมืดสายตาจะเหลือกลานและบรรดาเวิ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 ด้วยพระนามของอลัลล อ, ผอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอข้าขอสาบานต่อวันเกียร์มาและข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประนามตนเอง มนุษย์คิดหรือว่าเราจะไม่รวบรวมกระดูกของพวกเขากระนั้นหรือนนะแน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รแต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำความชั่ว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 เปล่าเลยไม่มีที่พึ่งหรอกในวันนั้นยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้นคือที่พักอันสงบสุขวันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ก่อนและในภายหลังบ เปล่าเลยมนุษย์นั้นเป็นพย า, ยานต่อตัวของเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตามเจ้าอยากกระดิกลิ้นของเจ้าหนึ่งด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจกาำ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 แต่พวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และพวกเจ้าละทิ้งปรโลกนนในวันนั้นหลายๆใบหน้า จ, จะเบิกบา น, นเจ้ามองไปยังพระผู้อภิบาลของมัน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 เขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระดานหั้นหรือเขาไม่ได้เป็นหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกให้พุ่งออกมากระดนหั้นหรือแล้วเขาได้เคยเป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วโปรงทรงบังเกิด แล้วก็ทรงทำให้ได้สัดส่วนสมบูรณ์แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่เป็นเพศชายและเพศหญิงดังนั้นพระองค์จะไม่สามารถให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหนึ่ง